ใช่มันหมอบอยู่ที่นั่นแต่ไม่ได้กินน้ำ เสือลงกินน้ำจะได้ยินเสียงอย่างถนัดที่สุดในความเงียบเช่นนี้แต่ผมไม่ได้ยินเสียงมันกินน้ำเลยได้กลิ่นสาบซะมากกว่ามันจะต้องย่องเข้ามาอย่างประสงค์ร้ายต่อพวกเรามากกว่าอย่างอื่นและถ้าไม่บังเอิญไวทันซะก่อนอาจจะเป็นเกิดหรือจันทร์ซึ่งจะถูกมันโจนเข้าเล่นงานเป็นครั้งแรกเพราะสองคนนั่นนั่งอยู่ห่างจากพวกเราทุกคนออกไปขอให้สังเกตด้วยว่าก่อนหน้าที่ผมจะส่องไฟไปเห็นพวกเราตื่นและคุยกันอยู่มันต้องได้ยินเสียงแล้วถ้าเป็นสัตว์อื่นเพียงแค่วหวังลงมากินน้ำก็จะต้องเปิดไตล แต่นี่มันหมอบนิ่งดูเราอยู่โดยอาศัยความมืดเป็นที่กำบังตัวมันรู้ดีว่าเรามองไม่เห็นตัวมันแม้จะย่องเข้ามาใกล้สักขนาดไหนน้ำหนักในข้อวินิจฉัยของพานใหญ่หนักหน่วงกว่าของมาเรียฮอฟมันซึ่งเจ้าตัวเองก็ยอมรับจริงของคุณไทวันมันกะเอาเราแน่พวกคุณอาจจะไม่เคยชินกับสับ ต, ตาและมองข้ามสิ่งที่น่าคิดที่สุดไปสักอย่างหนึ่งเขากล่าวต่อมาด้วยความรู้สึกอันยากที่จะบรรยายได้ แต่สำหรับผมและพานทุกคนกําลังเผชิญอยู่กับปัญหาหนักชนิดหนึง่งที่ทําให้ไม่สบายใจเป็นอย่างมากผมไม่กลัวในขนาดอันใหญ่มาหืมาของมันไม่กลัวในเล่เหลี่ยมฉลาดแสนรู้เหมือนมีปีศาร้ายคอยบงการแต่ที่ทําให้ต้องคิดมากในขณะนี้ก็คือดวงตาอันไม่สะท้อนแสงไฟของมันชนะไหนจ้างเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้และพอคิดเข้ากับปัญหานี้ก็แทบจะสะดุ้งเฮือกคุณแน่ใจเหรอเชตหาถามแผวเบาที่สุดแน่ใจครับปีศา ชายร้องขึ้นลอยลอยสั่นสะท้านแล้วอย่างนี้นะลึกยังจะบ้าระห่ำตามมันออกไปอีกคุณไม่มีที่หมายใดๆจะสังเกตเห็นมันได้เลยต่อให้ไฟฉายแรงสูงสักขนาดไหนกว่าจะเห็นตัวเล็บหรือเขี้ยวมันก็คงฝังลงมาบนขมองแล้วดาวรินพูดแหบเครือคนลุกอยู่เป็นระลอก เจ้าประคุณเธอหวังว่าคณะที่เรานอนฟังเสียงของมันอยู่ในขณะนี้คงไม่ได้ยินมันตะโกนออกมาเป็นคําพูดของคนว่าเฮ้ย <c oughs> พานรพิน์ออกมากัดกระฆ้าข้างนอกนี่หน่อยอย่างนั้นนะชายันตลกตามเคยแต่ไม่มีใครขาด้วยดารินเอื้อมือข้ามตัวมาเรียนไปทุบที่หน้าอกอย่าตลกบรรยากาศตอนนี้มันไม่อํานวยให้ซะเลยแล้วต่างก็รู้สึกเสียววูบเข้าไปถึงหัวใจอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงจอมพานหัวเราะแปลกๆตอบคําถามชายันมาว่า ก็ไม่แน่เหมือนกันครับถ้ามันร้องท้าเป็นเสียงคนมาได้อย่างนั้นผมจะไม่สงสัยเลยสักนิดคิดถึงสเตเกลเขาไม่มีวาสนาพอที่จะได้อยู่พบเห็นอะไรแปลกประหลาดมหัศจรรย์เช่นที่พวกเราพบกันอยู่ในขณะนี้มาเรียพึพรรมพำหรือนิฉะนั้นเขาก็มีวาสนาที่ดีกว่าพวกเราทุกคนที่ล่วงรับไปก่อนที่จะเจอเคราะห์ร้ายได้รู้ได้เห็นอะไรที่มันจากนารกเปรตอย่างนี้ ด่าว่าเสียงขู่คำรามของมันเงียบลงแล้วต่อมาก็มีเสียงเอาเล็บตะกุยขวนคนไม้ดังควักๆอย่างน่าสยองมิชามินานจับสัมเนียงที่รบกวนประสาทใดๆทั้งมวลจากไอ้มหานรกก็เป็นอันเงียบสนิทไปทุกคนตระหนักดีว่านั่นไม่ได้หมายถึงสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยมันอาจหมอบซุ่มอยู่ในระแวกใกล้เคียงนี่เองแต่อำนาจความม่วงระอิดรวยเข้ามาครอบงำร่างกายและจิตเสียงเงียบพูดไปทีละคนและในที่สุดดูเหมือนจะเคลิมกันไปหมด ยกเว้นรบพินเพียงคนเดียวซึ่งถึงแม้ตาหลับแต่ประสาทก็ตื่นพร้อมจวนจะม่อยประสาทหูอันเฉียบไวก็สัมผัสได้ก็บอีกเสียงหนึ่งที่ดังผิดแปลกไปมันเป็นเสียงตีนที่ย่องกลิกไปตามพื้นกรวดและใบไม้แห้งทีละก้าวไม่ใช่4ตีนหากแต่เป็น2ตีนพอลืมตาขึ้นก็เห็นตาเท่าบุญคาคานมาขยับที่ปลายเท้าเขานายฟังนั่นแกะกระซิบ เขาไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นแต่สะกิดเชิดาผู้นอนอยู่ใกล้หัวหน้าขณะสะดุง้งตื่นเร็วทันตักการตามเคยมันเข้ามาใกล้เราอีกแล้วเลยครับใกล้มากแต่คราวนี้เดินสองตีนเชิฐาตาเหลือบค่อยเลิกผ้าแบงเกตที่คุมตัวออกการเคลื่อนไหวชนิดนั้นแม้จะแผ่วเบาที่สุดพักพวกที่นอนเคียงไหล่อยู่กันเป็นตับก็พลอยรู้สึกกันหมดอีกครั้งเพราะไม่มีใครหลับสนิทบุญคากับขยินขณะนี้กําลังนอนเอาหูแนบดิน อึดต่อมาก็เหนุยหน้าขึ้นในเงามืดแลเห็นตาตาขาวที่กรอกลื่งอยู่ไปมาคนนายเดินย่องอยู่หลังซุ้มไม้ทางขวามือนั่นขยินพูดลอดลิมฝันออกมาขมุบขมิดแทบไม่ได้ยินเสียงคนใครที่ไหนนั่นคือปัญหาที่ว่าขึ้นกลางใจของทุกคนรับเพียกั้นใจฟังด้วยโสตประสาทของเขาต่อไปและก็แน่ใจว่าเจ้าอดีตนายบ้านหลมช้างแม่นยาที่สุดในเรื่องการฟังฝีเท้าชุกชนิดจากแม่พระธรณี พื้นดึงลูกกลางปนกวดลั่นแผ่วเบาทีละจังหวะของการวางเท้ามันเป็นระยะ ห่างกันหลายอึดใจต่อการก้าวแต่ละก้าวต่อมาก็เปลี่ยนเสียงกิ่งไม้ไหวเล็กๆขณะนายจ้างทั้งหมดพยายามที่จะฟังแต่ก็ไม่สามารถจับรหัสอะไรได้ทั้งสิ้นเพราะมันซ่อนเร้นเบาแสนเบายกเว้นมาเรียคนเดียวที่สืบ ส, สายเลือดพ่านมาแต่กําเนิดนุ่นสาวดึงกายขึ้นนั่งประทับไรเฟริลจุดสาม็มกนัมในท่ากลางเข่าอันเป็นท่านั่งยิงอันถนัดที่สุดบายสูนไปทางพงไม้กับก้อนหินอันเป็นที่มาของเสียงแล้วกระซิบบอกชายยันผู้อยู่ใกล้ๆว่า ชา ย, ยันฉายไฟไปทางขวามือนั่นฉายเป็นแนวตรงไม่ต้องศาสตร์จากสูงลงมาหาต่าําอดีตนายทหารปืนใหญ่คว้าไฟฉายขึ้นมากดสวิตช์ฮันเตอร์แปดท่อนปวยพุ่งเป็นลำออกไปในพริบตานั้นครึ่งวินาทีเท่านั้นที่ไฟฉายสาดเป็นลำขาวตัดความมืดออกไปยังพุ่มพงอันสลับซับซ้อนก่อนที่คนอื่นๆจะทันรู้สึกตัวอย่างไรสิ่งอันโอลิมปิกก็เกิดขึ้นชนิดที่ขณะนั้นยังไม่สามารถเดาถูกว่าอะไรมันเป็นอะไร ไปใายในมือของช้ยยันดับบู้ไรเฟริลจากมาเรียแผดระเบิดเปรี้ยงกึกกล้องจนดารินผู้เอาศอกยันตัวครึ่งนั่งครึ่งนอนอยู่รู้สึกบูบที่ใบหน้าเพราะอำนาจแรงอัดของกระสุนมันดูเหมือนจะลั่นขึ้นในจังหวะเดียวกับที่ไฟดับวาตรงนั่นเอง ต่อมาติดๆก็มีเสียงตะโกนแหลมลั่นของมาเรียดับไฟทําไมพร้อมกับเสียงนั้นก็รู้สึกเหมือนกับว่าชายันจะตะโกนเอ็ดอึงขึ้นว่าหลอดขาดหรือทําอะไรทํานองนั้นร่างของมาเรียกระโจนพรวดขึ้นยืนปากของหล่อนร้องใช้ไฟเข้าเร็วเจ้าตัวออกแล่นทลาปาดพร้อมกับไรเฟิลที่กระชากลูกลื่นส่งกระสุนนัดใหม่ขึ้นลําอาการของหลอนรวดเร็วฉับไวจนดูไม่ทันแต่นั่นยังช้าไปกว่าดารินนักมนุษยวิทยาเตะ ตัดข้อเท้าของเพื่อนสาวต่างผิวผู้บัดนี้กำลังจะพุ่งออกนอกที่พักล้มคว่ำหน้าลงกับพื้นและในพริบตาต่อมาหลังก็กระโจนจากที่นอนตะคุบตัวมาเรียไว้ได้ก่อนที่จะทันลุกขึ้นมายื้อยุดล็อกตัวไว้อีกด้านหนึ่งรัวกิงก็เพ่นพังขึ้นยังไม่ทันจะส่งตัวถนัดก็ล้มคว่ำเสียหลักลงอีกคนเพราะเชิด า, ากระชากข้อพับทับลงมาจะกัดกั้นไม่ให้ลั่นออกไปนอกบริเวณกลหนอึงอนไปหมด ถิมนั่นเองไฟฉายอีกหลายดวงจากพวกผ่านพื้นเมืองก็สว่างจ้ากว่ดตัดไปมาสำรวจไปยังตำแหน่งที่ชายยานฉายอยู่เมื่อครูน่นี้ไม่มีอะไรผิดปกติหรือแปลกต่อมให้เห็นทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นดุษฎีเห็นชัดที่สุดโขดเห็นสีดำลูกหนึ่งเป็นรอยแตกขาวเวิร์ดด้วยอำนาจกระสุนจหของมาเรียเกิดอะไรขึ้นเมย คุณยิงอะไรเช้ถาถามลั่นสุดที่จะระงับความตื่นเต้นตกใจเอาไว้ได้มาเรียัตบนี้เบิกตาโพงกระหืดกระหอบกายสั่นเทิมหล่อนเพิ่งจะถูกดารินประคองให้ลุกขึ้นมานั่งแล้วจับตัวไว้มั่นส่วนรับนิเเองก็เงียบกริบจ้องนิ่งไปยังก้อนหินที่มาเรียยิงเป็นรอยไว้ตาไม่กระพริบ นอกนั้นทุกคนง ง, ง, งจับต้นชนตายไม่ถูกแม้กระทั่งชายยันคนฉายไฟเองก็ไม่ทันสังเกตเห็นอะไรทั้งสิ้นทันทีที่สา์ไฟออกไปตามเสียงกระซิบของแมนมสาวไอ้ไฟเจ้ากรรมก็ดับว่าลงเฉยๆลักษณะเหมือนหลอดขาดและพร้อมกันนั้นโดยไม่รู้เงน ร, ร, ร, รู้ตัวมาเรียก็ระเบิดกระสุนของหลอดขึ้นมันสุดที่เขาจะทราบได้ว่าหลอดเห็นและยิงอะไร สุนดารินที่เตะตัดขามาเรียนร้งคว่ำก็พราหล่อนเห็นอาการเพื่อนสาวจะเล่นทลาออกไปจากปางพักติดตามอะไรชนิดหนึ่งไปอย่างเดิมตัวจึงยับยั้งไว้เท่ากับที่เชิฐาก็สกัดรับพินไว้อีกด้านหนึ่งด้วยสัญชาตญาณมาเรียนยังนั่งหอไม่ได้พูดคำใดทั้งสิน้นหลุดใจต่อมาชัยยันก็ถอดไฟชายของเขาออกสำรวจอย่างรุกรนมันหลอดขาดจริง เป็นเวลาอีกครู่ใหญ่ทีเดียวกว่าที่มาเรีจะระงับสติอารมณ์และพูดกันรู้เรื่องได้แล้วคําบอกเล่าของหลอนก็ทําให้เชษฐาดารินและชัยยันหัวใจเกิดจะหยุดเต้นไอ้ผีตายซากหัวล้นตัวนั้นฉันเห็นมันอย่างถนัดที่สุดเห็นทั้งตัวมันยืนอยู่ที่หลังพุ่มไม้บางๆริมก้อนเห็นนั่นหันหน้ามาทางนี้ชัยยันก็ดับไฟของเขาลงก่อนที่ฉันจะเห็นศูนย์ได้ถนัดเพียงวิบตาเดียวเท่านั้นฉันยิงภายหลังจากที่ไฟมืดลงแล้วมัน น, นั่นเป็นคําพูดอันยากเย็นที่สุด ผมไม่ได้ดับไฟแต่ไฟระยำนี่มันดันหลอดขาดเข้าพอดีผมเองก็ยังไม่ทันจะมองเห็นอะไรเหมือนกันช้ ย, ยันเองก็กระหือกระห อ, อกไม่น้อยไปกว่าหลอดพี่ใหญ่เห็นหรือเปล่าคะดาเรนหันไปถามพี่ใหญ่โดยเร็วแทบไม่เป็นภาษาพี่ก็ไม่ทันเห็นเหมือนกันเห็นแต่เพียงไฟฉายสว่างขึ้นแบบเดียวเท่านั้นเมย์ก็ยิงตูงแล้วก็กขบคลักเจ้าระวันกันไปหมดรัฐพินดูเหมือนจะแล่นออกไปนอกแคมป์อีกคนพี่กระชากไว้ทัน ย่องเว้นมาเรียกับระพินผู้นิ่งอึง่งแล้วทุกคนหันไปสอบถามกันสั้นรวมไปถึงพวกผานพื้นเมืองด้วยแต่ไม่มีใครเห็นอะไรอย่างมาเรียบอกสักคนเพียงแต่ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นชายยานฉายไฟในระยะเวลาชั่วพิตาก็มีเสียงปืนระเบิดกำปนาดขึ้น ความตื่นตกใจของทั้งคณะมันไปอยู่ที่เสียงโวยวายเอตโลของมาเรียตลอดจนการสกัดกั้นของดารินที่รีบตะคุบตัวไว้ก่อนยื่งยุดชุดกระชากกันอยู่คุณตาฝาดไปหรือเปล่าเมใช่ถ่ดาถามเคร่งขรึมจ้องหน้าแล้วเอื้อมมือมาจับปลายคางของแม่สาวโดยแรงไม่ฝาดครับผมอีกคนหนึ่งที่เห็นอย่างเดียวกับเมเสียงแหบห้าวของใครคนนึงดังแทรกขึ้นและคนคนนั้นก็คือรัฐพินภัยวัน ระหว่างที่ทุกคนหันกลับไปจ้องเขาพานใหญ่ยกมือขึ้นขยี้ตาพาจ้องไปยังบริเวณนั้นอีกครั้งกล่าวต่อมาว่า มันชั่วเซี่ยวของวินาทีเท่านั้นที่ลำไฟฉายของคุณชัยยันศาสตร์ออกไปกระทบถ้าคุณใช้ไม่กระชากไว้สัก่อนบางทีผมอาจฉายไฟแทนให้แกลำไฟฉายที่ดับอย่างกระทันหันของคุณชัยยันทันแล้วเราก็จะเห็นการถนัดทุกคนรวมทั้งติดตามร่องรอยของมันทันด้วยจังหวะที่พวกเราโมออนไลมานกันเองทําให้มันหายไปเหมือนกับเงาคุณเห็นยังไงเห็นอย่างเดียวกับฉันหรือมาเรียล้องถามละล่ำและลัก ชายร่างสูงศีรษะโล้นในเครื่องแต่งกายของนักบวชลักษณะเดียวกับศพตายซากที่เราเห็นยืนอยู่ตรงนั้นเขายืนยันอย่างช้ามั่นคงตาวาวลึงสีตากเม้มสนิทคราวนี้ใชิดขาเองก้าวพูดๆตรงไปยังตำแหน่งที่มาเรียยิงกระทบก้อนหินไว้ทุกคนก็พูตามเขามาทั้งหมดหลักฐานมีไว้ให้เห็นอย่างเดียวคือรอยแตกเป็นฝุ่นร่วนของหินสีดําก้อนนั้นด้วยแรงประทะสองตันของลูกไรเฟริลทั้งหมดช่วยกันกระจายออก วาดไฟค้นหาในละแวกใกล้เคียงต่อมาขยินก็ค้นพบกิ่งไม้เล็กๆจากพงแห่งหนึง่งห่างจากที่เดิมประมาณ 5-6-9 ก้าวลึกเข้าไปทางป่ารกมีรอยหักเหมือนถูกอะไรผ่านกระทบไปอย่างรีบร้อนรอยของมันยังใหม่ที่สุดหัวหน้าคณะปรีตาลงขณะที่เราพิมพ์ก้มลงประคองกิ่งไม้ที่หักพับอยู่นั้นขึ้นมาพิจารณาน่าแกเหลือเกินถ้างั้นผมน้อยและช ย, ยันรวมทั้งพวกล่กหาทุกคนก็ตาใช้ไม่ได้เลยที่มองไม่เห็นในครั้งแรก ระยะเวลามันทันด่วนเกินไปคุณชายยานฉายไฟออกไปได้ปาดเดียวหลอดก็ขาดไฟดับมืดลงสายตาของคุณอาจปรับไม่ทันผมจ้องตรงนี้อยู่ก่อนแล้วพอไฟสาดออกไปจึงมองเห็นได้ทันทีซึ่งคงจะเหมือนเหมือนกับเนนอกจาก คงอ่านมัวไปมองดูทางด้านอื่นยังไม่ทันจะเหลียวตามแสงไฟไปพบรัพินบอกเสียงแห้งชา ย, ยันโบยวายเอ็ดออกมาผมยิ่งแล้วใหญ่เลยเป็นคนฉายไฟแท้ๆไม่ยักทันเห็นพ่อเมย์บอกให้ฉายผมก็ฉายผ่านใหญ่หัวเลาะออกมาในลําคอ คุณชายกับคุณหญิงวัยเกินไปในการสกัดกั้นผมกับเมยไว้ได้คนละคู่ฉันจะไปรู้แล้วดาวดินยังไม่ไวัยสันพรากอดเพื่อนสาวไว้ด้วยแขนข้างหนึ่ง mm. เห็นเมยพูดผ้าจะวิ่งออกนอกแคมป์สัญชาตญาณมันทำให้ฉันต้องยับยั้งเขาไว้ก่อนขณะนั้นเมย์เหมือนคนกำลังหมดสติเขากระโดดข้ามตัวฉันไป ตอนนั้นฉันไม่รู้ตัวว่าฉันทําอะไรลงไปรู้สึกเพียงแต่ว่าชายยันดับไฟก่อนที่จะเหนี่ยวไกลปืนลั่นออกไปขณะที่มืดวูบลงมันทําให้ฉันผิดหวังไปหมดร้องบอกให้พวกเราฉายไฟเพื่อจะได้เห็นเป้าได้ถนัดแต่น้อยกับปัดขาฉันล้มแล้วก็กดฉันไว้กับพื้นชายยันสะบัดสะบานลั่นเนื้อตัวตื่นราบไปหมดรับพินหันไปทางพันธุยาไม้ของดร์ฮอฟมัน ผมกำลังรอคอยจังหวะให้มันเคลื่อนออกมาได้ระยะที่สุดเพื่อว่าถ้าฉายไฟพร้อมกันมันจะไม่มีทางหลบได้ทันอย่างเด็ดขาดแต่คุณใจร้อนบอกให้คุณชัยยันฉายไฟซะก่อนแล้วไฟของคุณชัยยันกระบอกนั้นก็ดันมาหลอดขาดเข้าในวินาทีที่สำคัญที่สุดซะด้วยเหตุการณ์นั้นพลาดไปหมด มันเป็นความลี้ลับที่เรายังไม่มีโอกาสจะค้นหาคําตอบได้ก็ให้มันลึ้ลับไปก่อนทุกคนทําดีที่สุดแล้วแต่โชคไม่เข้าข้างเราเองเชิดถากล่าวขึ้นชวนให้ทุกคนกลับเข้าที่พักเหตุการณ์เสงี่ยมขวัญตื่นตะนกเกิดขึ้นอย่างประดังซับซ้อนภายในระยะเวลาอันไม่ห่าง ก, กันเท่าใดนักมันทําให้จิตใจของทุกคนปั่นป่วนเหนือที่จะกล่าว ต่ายากที่จะเข้าใจว่ามาเรียฮอฟมันตาฝาดไปเองถ้าไม่ได้รับการยืนยันจากระพินอีกคนรวมทั้งหลักฐานกิ่งไม้หักที่ตามออกมาคนพบมันอะไรกันแน่สำหรับชายศีสะโลนลักษณะเดียวกับศพตายซากที่พบซึ่งปรากฏกายในลักษณะสิ่งมีชีวิตย่องเลียบเคียงเข้ามาใกล้ที่พักโดยมาเรียกับระพินมองเห็นพร้อมกันถึงสองสายตาแม้จะช่วพิตาเดียวก็ตาม มันเกิดขึ้นภายหลังจากสงบรีแวลของเจ้าเสือโครงดำตัวนั้นหลอดไฟเจ้ากรรมของชายยันก็จำเพาะเจาะจงมาขาดเอาในเวลาแห่งการพิสูจน์ให้เห็นดำเห็นแดงนี้แต่ช่วงระยะเวลากรุบขลักสั้นๆที่พักพวกกำลังสารวนอยู่กับการสกัดกัน้นผ่านใหญ่กับมาเรียไม่ให้เทเลร์ทะลาติดตามออกไปนอกแคมป์ มันก็อันตรธานไปอย่างมืดมนถ้าว่าก็ไม่ปราศจากเขาเงื่อนจนเกินไปนักอย่างน้อยที่สุดก็พอจะทิ้งหลักฐานไว้ได้บ้างเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมันสอดคล้องกับข้อสันนิษฐานเท่าเๆกับมีสิ่งค้านอยู่ในตัวของมันเองอย่างบอกไม่ถูกมันเป็นคืนอันหนักหน่วงสยองใจที่สุดต่างสุดที่จะหลับนอนต่อไปได้อีกนอกจากนั่งจับจ่ารวมกลุ่มเผยงไฟหันหน้าเข้าหาดูกันอย่างเคร่งเครียด ตื่นพลาดหยุดที่ตักพร้อมไฟฉายซึ่งสามารถจิบช่วยขึ้นได้ในทันทีเช่ฐาสั่งให้ต้มน้ำเอากาแฟผงสําเร็จรูปออกมาชงแจกจ่ายกันจิต ด, ดารีนเกิดอาการหนาวสะท้านสั่นจับไข้ขึ้นเป็นครั้งแรกต้องหายากินนอนห่อตัวอยู่ภายใต้ผ้าห่มกลางวงล้อมผู้ที่กุรีกุจอเข้ามาช่วยเหลืออย่างรักสนิทคือมาเรียไฟทุกกองถูกใส่ฟืนเข้าไปจนลุกโชดสว่างสบายช่วยให้เกิดความอบอุ่นทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจขึ้น ขณะนั้นเข็มนาฬิกาภายน้ําของเชิด้าชี้บอกเวลาสามนาฬิกาเศษ ร, รพินคุณเห็นอย่างเดียวกับที่เมย์บอกจริงๆหรือในที่สุดหัวหน้าคณะก็เอ่ยถามขึ้นแผ่วเบาผมหมายถึงว่าภาพที่เห็นนั้นเป็นล่างในลักษณะเดียวกับศพตายซากที่เราพบมันจะเป็นไปได้ไหมสมมุติว่าความจริงเป็นแง่ทายที่ย่องเข้ามาใกล้แคมป์เราแต่ทั้งคุณและเมย์มองเห็นเป็นอย่างอื่นเพราะเป็นการเห็นเพียงแวบเดียวเท่านั้น ผมเองก็อยากกับบอกจะบอกตัวเองอย่างนั้นเหมือนกันมันเป็นแง่ทรายเหมือนกันไม่อยากจะเชื่อสายตาแต่แล้วก็ต้องแน่ใจว่ามันไม่ใช่แง่ทายภายหลังจากเมื่อเมย์พูดขึ้นเพราะสิ่งที่เมย์เห็นและบอกมานั้นมันตรงกับสายตาที่ผมเห็นทุกอย่าง เช้ขาหันไปสบตาสหายของเขาซึ่งพูดอะไรไม่ออกได้แต่กรอกหน้าแล้วมองไปยังร่างอันห่อตัวคุดคู้หนาวสั่นของน้องสาวถ้าเช่นนั้นเราจะวินิจฉัยอย่างไรไอ้สดตายซักเคลื่อนไหวเดินได้จริงๆหรอทั้งหมดเงียบงันไปชั่วขณะมาเรียโอกกอดร่างดาวรินไว้น้อยยืนยันกับเราไว้ก่อนแล้วค่ะในเรื่องนี้แต่ก็ไม่มีเหตุผลพอที่เราจะรับฟังได้จนกระทั่งชั้นกับไพรวันมองไปเห็นภาพเมื่ออยู่ยนี้จึงอยู่มันชั่วพริศตาเดียวเท่านั้นที่ภาพของมันปกัก แต่ก็กระจากชัดทีเดียว ความลี้ลับทั้งหลายมันไปแฝงเงาซ่อนอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่ไฟของชายยันเกิดอุบัติเหตุหลอดขาดขึ้นเราจึงเห็นมันเพียงชั่วไม่ถึงก้านใจแล้วก็อันตรธานไปเหมือนภาพมายาถ้าไฟไม่ดับเราจะพิสูจน์อะไรต่ออะไรได้มากทีเดียวฉันรับรองว่าระยะขณะนี้ถ้าเห็นศูนถนัดฉันจะต้องยิงไม่พลาดและเมื่อกระสุนพุ่งเข้าไปประทะมันจะเกิดลักษณะอาการอย่างใดหรือมันจะหนีหายหลบไปทางไหนแต่นี้ก็มันมืดลงอย่างกระทันหันมันก็สูญหายไปพร้อมกับความมืดนั้น เกตจากแนวกระสุนที่กระทบก้อนหินฉันรู้ว่ายิงพลาดเป้าหมายตำแหน่งที่มันปากฏตัวเย็นอยู่ไปทางด้านขวาห่างประมาณสองเศษช่วยไม่ได้เลยไฟดับชิงตัดหน้าซะก่อน ท, ที่แรกฉันก็สงสัยว่าทำไมชายยันจึงดับไฟซะเพิ่อมารู้เอาภายหลังว่าเกิดอุปัตุวะเหตุหลอดขาด ผมก็ห่วงแต่เรื่องกลัวรพินจะเผ่นออกไปพบกับอันตรายที่เรามองไม่เห็นตัวนอกแคมป์จึงยึดตัวเขาไว้ทำให้เกิดขุกขลักทอดระยะเวลาออกไปอีกใช้ถาพูดพังโครงศสียใอย่างเสียดายต่อเหตุการณ์เรื่องของเรื่องก็คือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเอง ก็ดีแล้วที่แกฉุดรับพินไว้ซะก่อนตอนนั้นเท่าเท่ากับที่น้อยก็สกัดเมซะทันใครจะบอกได้ว่าในตอนนั้นหากพวกเราคนใดคนหนึ่งแล่นติดตามส่วนออกไปอันตรายชนิดใดมันจะรอคอยจังหวะอยู่น้อยเชื่อมั่นมานานแล้วว่าไอ้ผีนั้นลุกขึ้นเดินได้บันทึกของเคลเมอร์ก็ให้รายละเอียดน้อมเอียงไปทางนั้นทีนี้ถ้าเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ตามรับพินกับเมยืนยันว่าเห็นอย่างนั้นจริงมันก็ไม่มีข้อกังขาอะไรอีกแล้ว บุญคำก็เชื่ออย่างที่นายหญิงพูดแต่แรกแล้วแต่บุญคำไม่กล้าพูดแต่พานเท่าสอดขึ้นเบาๆมาถึงคราวนี้นายแหม่มบอกก็ไม่สําคัญนะักมันสําคัญเอาที่พานใหญ่ก็เห็นด้วยสายตายอย่างพานใหญ่รัะพินเห็นอะไรอย่างไรก็เชื่อเถิดว่ามันของจริงถ้ามันเดินได้จริงมันก็คือสิ่งมีชีวิตเช่ดถาพื้นพามจ้องหน้าจอม่านใช่ไหมรัพิน ผมตอบไม่ถูกเหมือนกันครับถ้าจะถือตามทฤษฎีของชีววิทยามันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพบจากศพตายซากร่างนั้นหลักของชีววิทยาก็บอกเราอยู่ทนโทว่ามันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแม้แต่นิดนึงร่างกายแข็งทื่ออย่างเห็นไม่มีชีพจรกระแสลโลหิตหรือลมหายใจสําหรับกรณีนี้ผมก็ยังไม่อาจยืนยันได้ว่าร่างที่เห็นมันจะเป็นร่างเดียวกับศพนั่นหรือเปล่าเพียงแต่ลักษณะมันใกล้เคียงเท่าที่เห็นชั่วแว่ ปัญหาข้อแรกที่สุดลองมาช่วยกันคิดดูว่ามันย่องเข้ามาใกล้แคมป์เราเพื่ออะไรชายันตั้งคำถามก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ควรเชื่อได้ว่ามันไม่ได้มาอย่างมิตร ถ้าไมไม่ใจร้อนให้คุณชัยยันทำกระโตง ก, กระต่างโดยการฉายไฟซะก่อนผมก็เตรียมจะดักมันอยู่แล้วเราเสียท่าตรงที่ไม่ได้นับแน่อะไรกันไว้ก่อนขอโทษด้วยถ้าฉันเป็นคนทําให้แผนของคุณต้องล้มเหลวมาเรียหันไปบอกกับพานใหญ่อย่างจริงใจผมไม่ได้ตั้งใจจะตําหนิอะไรคุณหรอกเพียงแต่บอกให้ทราบว่าผมเตรียมจะจัดการอย่างไรอยู่ก่อนแล้วเท่านั้นและถ้าเป็นผมทันทีที่ส่องไฟเห็นเป็นภาพคนผมจะยังไม่ยิงเป็นอัตขาด ฉันยอมรับว่าตื่นเต้นตกใจจนเกินไปเมื่อมองไปเห็นภาพนั้นถ้ามันเป็นงาซายหรือคนซึ่งมีรูปร่างลักษณะอย่างอื่นผิดไปจากไอ้ผีตายซากนั่นฉันก็ยังไม่ยินเหมือนกันคุณคิดว่าไอ้ร่างประหลาดนั้นจะมีอะไรเกี่ยวพันกับเสือโคร่งดำตัวนั้นไหมขอให้สังเกตด้วยว่าเพอไอ้มหาการนั่นเงียบเสียงหายไปเจ้าร่างประหลาดนั้นก็ย่องกลิบเข้ามาใกล้เราหัวหน้าคณะอย่างความเห็นขึ้นบ้าง ผมไม่กล้าเดาอะไรสักอย่างทุกสิ่งล้วนมืดมนเต็มไปด้วยปริศนาไปหมดแต่มีเหตุผลที่น่าจะแน่ใจได้อย่างเดียวว่าเสือโคร่งดำตัวนั้นจะต้องไม่เป็นพิษเป็นภัยใดๆกับมันแน่ไม่ฉะนั้นมันควรจะถูกเล่นงานไปก่อนแล้ว นี่แหละเป็นสิ่งที่เราควรคิดท่ามกลางภัยอนยันตรายหลายกาดไอ้กล้องดําตัวนั้นซึ่งดักจ้องเตรียมจะเล่นงานเราอยู่ถึงเดี๋ยวนี้ก็อาจจะซุ่มอยู่ในระแวกใกล้ๆแต่ทําไมถึงมีมนุษย์ในที่นี้ขอเรียกมันว่ามนุษย์ไปพังๆก่อนโดยรูปร่าง ล, งลักษณะของมันอย่างที่คุณกับเมยืนยันคนหนึ่งเข้ามาเดินป้วนเปี้ยนอยู่ในระแวกนี้โดยไม่เกิดอันตรายใดๆพูดกันตรงๆก็คือทําไมไอ้ดําถึงไม่ขบหัวมันจะ ก็ไอ ห, หลอดไฟรียำดวงนี้ดวงเดียวเท่านั้นอยู่แต่ไหนแต่ไรมาได้ไม่ขาดเสือมาขาดอาวินาทีที่สำคัญที่สุดชายยันคำรามอย่างเดือดแค้นคว้าไฟฉายประจำตัวขึ้นมาขยา่าทำท่าเหมือนจะฟาดลงกับพื้น ขณะนั้นบุญคำขยับปากจะพูดอะไรออกมาแต่แล้วก็ชะงักนิ่งซะเพราะเราผิดสังเกตเห็นซะ ก, ก่อนรอบสะ ก, กิดไว้ปัญหาที่เผชิญกันอยู่ในขณะนี้มันหนักยิ่งแล้วเขาไม่ต้องการให้บุญคำพูดอะไรตามภาษาของแกเป็นการดำเข้าป่าเข้ารกยิ่งหนักขึ้นไปอีกทุกสิ่งทุกอย่างต้องการรอผลพิสูจน์และการพิสูจ น, น์นั้นๆก็ควรจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคณะนายจ้างโดยตรงเพราะคนเหล่านี้ก็รวนเป็นปัญญาชนจเจริญแล้วทั้งสิ้น และมันดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกซึ่งผ่านใหญ่ผู้เกลียนไกลอย่างเขาไม่สามารถจะให้คำตอบในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ภายในอาณาจักรไพรอันดํมมืดนี้ระหว่างที่ทุกคนปรึกษาหารือดาดินเพียงคนเดียวเท่านั้นที่นอนหลับตานิ่งราชสกุลสาวอ่อนแอไปมากสำหรับคืนนี้ไข้ขึ้นสูงกายร้อนจัดจนทาให้ทุกคนเป็นห่วงมาเรียคอยขย่าเรียกสอบถามอาการอยู่เป็นระยะเชฟฐาก็คาตัวน้องสาวหยู่บ่อย รัวผินมองนิ่งมายัางร่างที่นอนคุ้สันห่ผมผ้าหลายทบนั้นด้วยแววตา ก, กังวลเพราะเขาตระหนักดีว่าคุณหญิงได้รับความตระหนกตกใจมากมายเพียงไรสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขวัญและกำลังใจของหล่อนกำลังสูญเสียไป ประกอบกับสุขภาพเหนื่อยยากกรากลก้ามหนักจึงทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นโรงพยาบาลประจำคณะเจ็บไข้ลงสักคนเดียวคนอื่นๆก็มืดมนกันไปหมดช่วยเหลือพยาบาลกันไปตามมีตามเกิดยังโชคดีอยู่ที่ว่าเรายังมีสติรู้สึกพอที่จะหายาให้ตัวเองได้ก่อนที่จะนอนสงบไปกล่าวกันว่าความมืดเป็นศัตรูอันร้ายกาศต่อจิตใจของมนุษย์ทุกคน ในความมืดมันเต็มไปด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นและเมื่อไม่เห็นสักอย่างเดียวก็เดาไม่ถูกว่าอะไรจะมาในรูปแบบไหนเมื่อประกอบกับเหตุการณ์ร้ายที่โผล่ราวีมาในรูปแปลกจิตใจก็เต็มไปด้วยความหวั่นไหวหวาดระแวงคอยผวายอยู่ทุกขณะจิตนับภาษาอะไรกับชาวกลุ่มที่เข้ามาบุกปันท่องไพรด้วยความจาเป็นอันบิบบังคับ แม้จอม่านผู้ยิ่งยงสามารถดำรงชีพ อ, อยู่ในราวภายได้เท่าเทกับสัตว์ป่าตัวหนึง่งก็ยังยอมรับว่าประสาทของเขาเริ่มไม่มั่นคงนักทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมหันตภัยแวดล้อมคณะอยู่ในขณะนี้มันเกินความรู้เห็นประสบการณ์ในชีวิตผ่านอันช่ำชองของเขาที่เคยผ่านมาแล้วแต่ละสิ่งล้วนยังหาคาตอบไม่ได้ทั้งสิ้น ไอเสือห็นในถ้าตัวนั้นพร้อมทั้งคำบอกเล่าของตะพานเ่าบุญคำรอยตีนที่วัดได้จากขนาดของเสือตัวจริงซึ่งติดตามรางควานอยู่เสียงมโหระทึกดนตรตีโบราณที่แววเข้ามากระทบโสตประสาททั้งเขาและเชษถาพร้อมกันแต่อีกสองพพื้นเมืองกับไม่ได้ยินความฝันของดา ร, งารินเทรริศ ไอเสือมาหากาลซึ่งตาไม่มีแสงสะท้อนต่อไฟฉายแม้จะส่องตรงเข้าข้างหน้าและท้ายที่สุดฉายลึกลับในเครื่องแต่ดกายนักบวชที่ปรากฏร่างให้เขาและมาเรียเห็นเพียงชั่วพลิบตาโดยไฟฉายของชัยยันสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรและอย่างไรและพียงนั่งสุดบุหรี่ตัวต่อตัวขอบรันดีจากชายยันมาดื่มทั้งทั้งที่ไม่เคยไปร้องขอมาก่อนแล้วก็นั่งท่อสายตามองดูเปลวไฟในกองที่กินไม้ประทั่นปลือกผลักเป็นจังหวะ สมอของเขาทำงานอย่างหนักหน่นที่สุดชีวิตของคนถึง1ิบคนในความรับผิดชอบดูจะอยู่ในขีดอันตรายยิ่งนักมันรวมทั้งตัวเขาเองด้วยซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะผ่านพ้นสถานการณ์อันเร็วรายนี้ไปได้หรือไม่และมันเป็นครั้งแรกในชีวิตการเดินป่าของเขาที่หลับไม่ลงอะไรชนิดหนึ่งเข้ามาสกิดเตือนใจอยู่เสมอว่ายามใดก็ตามที่เขาเผลอหลับไปแม้เพียงช่ว ง, งีบเดียวเมื่อนั้นอันตรายที่รอคอยจังหวะอยู่แล้วก็จะมาถึง เป็นครั้งแรกอีกเหมือนกันที่คนอย่างรับพิมพ์ไพวันภาวนาขอให้ตะวันขึ้นสะโดยเร็ว ค่อยเงียบกันไปอีกในกลุ่มของนายจ้างชายยันนั่งกอดเข่าเอาหลังเพิงกองสัมภาระสุขหน้าลงกับท่อนแขนทั้งสองยามนี้อดีตนายทหารปืนใหญ่ไม่มีอารมณ์ขันใดๆเกิดขึ้นทั้งสิ้นดูเหมือนจะเป็นสัญญาณหรือมาตรวัดได้ว่าเวลาใดก็ตามที่บุคคล น, นี้ยิ้มไม่ออกยามนั้นเป็นวิกฤตการเลวร้สุดขีดความคิดของเขาล่องลอยไปไกลบางขณะก็คิดไปถึงชีวิตอันเคยเป็นสุขเพียบพร้อมอยู่ในเมือง ถึงชีวิตสังคมอันรูราแวดล้อมไปด้วยความสะดวกสบายนานาประการแล้วก็ถามตนเองว่ามันเป็นไปได้หรือนี่มันเป็นความฝันหรือความจริงกันแน่ที่เขาจะต้องมานั่งอยู่กลางไพลยมหาการยามราตรีที่มีแต่มหาภัยพิบัติหน้าหวาดกลัวสยดสยองเห็นหน้าผู้ร่วมชีวิตด้วยกันอยู่เพียงไม่กี่คนห่างไกลจากโรคอรารยธรรมและแสงสีไม่อย่างสุดลาฟ้าเขียวเป็นหนึ่งถูกตัดขาดโดดเดี่ยวอยู่ในอีกโลกหนึ่งต่างห่างออกไป โรคของความลี้ลับมหัศจรรย์อันไม่สามารถจะเข้าใจได้และไม่เคยเชื่อมาก่อนว่ามันจะมีอยู่ในพื้นพิภ พ, พนี้ ใาสุบกล้องอยู่คนเดียวเงียบๆลักษณะครึ่องนั่งครึ่งนอนในตาขรึมเยื่อมองฝ่ากออกไปในความมืดเบื้องหน้าอย่างตาสจากจุดหมายมาเรียตะแคงตัวเบียดกอดร่างอันนิ่งของดาวเรินอย่างแสดงความรักใคร่หูใหญ่และไม่ต้องการห่างในภาวะเช่นนี้เหตุการณ์ที่ผ่านแล ะ, ะเผชิญร่วมกันมาแล้วทั้งอดีตและปัจจุบันมันทําให้แหม่มสาวรลืดผสมมีความรู้สึกต่อดาเรินวราริษเยี่ยงพี่น้องคานตามกันออกมาแล้วไม่ช้าไม่นานหลัอนก็เผอเข้าผบังเอาไว้หน้าซกหน้า กับตะโพกที่นอนตะแคงของราชสกุลสาวเคลิ้มตปที่น่าประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งในการเฉลียวใจคิดของจอมพานก็คือค่ำคืนนี้ไม่มวีวี่แววของไอ้คำ ข, ขาวหรือพวกผีกองกอยแผ่วผ่านเข้ามาใกล้คงมีแต่เสือโคร่งดำและร่างของนักบวชลึกลับตนนั้นเท่านั้นที่โผล่เข้ามารบกวนประสาท คืนนี้ไอ้ขังข่าวยักไม่ออกล่าเหยื่อของมันด้วยยังไงหรือว่าไปหากินทางด้านอื่นโดยไม่คิดจะหวนมาต่อแยรังควานกลุ่ ม, มนุษย์อีกแล้วเจ้าพวกผีกองกอยนั้นเล่ามันพากันไปไหนสมดทั้งทั้งที่ทุกคืนจะยกขบวนมาป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ที่พักหรืออย่างน้อยก็มาร้องให้ได้ยินเสียง บัดนี้จิตใจของเขาหมกมุ่นอยู่กับบันทึกของเคลเมอร์เกี่ยวกับศพตายซาอันมีพฤติการ์ประหลาดลี้ลับและการติดตามจองล้างจองผ่านของไอ้เสือโครงดำเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นเมื่อหยกหยกนี้มันยิ่งก่อให้เกิดเป็นปริศนาขึ้นเรือที่จะกล่าวถูก จรอย่างที่ชัยยันเคยพูดไว้คณะภายใต้ความรับผิดชอบของเขา10ียชีวิตที่พากันเอาตัวรอดมาได้จนกระทั่งบัดนี้ก็เพราะแต่ละคนในคณะเพียรพร้อมไปด้วยความปีชาสามารถและไหวทันต่อเหตุการณ์ตลอดจนสามาัคคีและทํางานช่วยเหลือกันได้อย่างสัมพันธ์คนนึ ง, งโง่คนหนึ่งก็ฉลาดคนนึงเผลออีกคนนึงก็ไหวทันและตื่นพร้อม และอีกคนหนึ่งอับจนอีกคนหนึ่งก็ยังพอจะมองเห็นรู่ทางเขาเองก็ยังอดกังขาไม่ได้ว่าในจำนวนสิบเอชีวิตที่รวมกลุ่มกันอยู่นี้ถ้าขาดใครไปสักคนหนึ่งก็ไม่ทราบว่าโซ่ชีวิตของคนในคณะทั้งหมดจะขาดสะบั้นย่อยับลงหรือไม่เมื่อระลึกได้เช่นนั้นกำลังใจก็เริ่มกลับคืนมาถูกแล้วไม่มีอะไรที่เขาจะต้องย่อท้อประวันบาดเลย คุณชายครับเสียงแผ่วเบาของพานใหญ่กระซิบเรียกหัวหน้าคณะมาท่ามกลางความเป็นดุษฎีภาพอันยาวนานเหมือนต่างคนต่างถูกสะกดให้เงียบงันไปด้วยอำนาจลึกลับที่มีอิทธิพลอยู่เหนือจิตใจในยามนี้ผมยังไม่ได้เรียนอะไรให้คุณชายทราบอย่างหนึ่งสำหรับเหตุการณ์เมื่อตอนข้าย่ำวันนี้ อะไรรอยเท้าของไอ้โครงมหาการที่ลงกินน้ำไว้ในแอ่งน้ำม่วงทำไมมันมีขนาดเดียวกับอุ้งเท้าของเสือหินที่เราไปพบบนฟากถ้ำเมื่อตอนเย็นวัดได้ไม่ขาดไม่เกินในหน้าอันเครื่องเครียดตายด้านของสุภาพบุรุษในราชสกุลผู้เป็นหัวหน้าคณะเบือนมาทางเขาระบายควันจากกล้องยาเส้นออกทางช่องจมูกช้ชาตามจังหวะหายใจ คุณมีความคิดเห็นอย่างไรก็บอกพวกเราไว้บ้างจําไว้อย่างเดียวผู้กองเวลาเช่นนี้การแสดงความเห็นและการใช้ความจริงชนิดตรงไปตรงมาจะช่วยพวกเราทุกคนให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นไม่ควรจะเก็บข้อคิดอะไรไว้เพียงคนเดียวสําหรับเรื่องรอยตีนเสือจริงครับกับเสือหินที่มีขนาดได้เท่ากันอย่างพอดีนี่ผมไม่กล้าที่จะมีความคิดเช่นไรทั้งสิน้นแต่เมื่อพบเห็นและสัมผัสเข้ากับสิ่งอันชวนคิดนี้ก็เลยตัดสินใจบอก คงจะเป็นเหตุการณ์ตอนที่คุณเปลิกตัวลงไปอย่างแอ่งน้ำโมกอีกครั้งแล้วเมยิงงูเห่านั่นกระบังคุณหวนกลลงไปพิจารณาดูรอยมันอีกครั้งเพื่อจะเปรียบเทียบครับตอนนั้นแหละผมไม่ได้กะดูด้วยสายตาเปล่าแต่วัดขนาดมาเสร็จสับทีเดียวมันลงได้พอดีชายันกับมาเรียคงจะม้อยไปแล้วเพราะสนบนิ่งไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อการพูดกันอย่างแผ่วเบาซุบซิบของทั้งสองคน ไม่เห็นคุณบอกเรื่องนี้กับพวกเราในตอนนั้นผมคิดว่ามันไม่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะจึงไม่ได้บอกในขณะนั้นแล้วทำไมถึงบอกขึ้นตอนนี้ล่ะจอมพานิ่งเชิดถาะกล่าวต่อมาขณะที่จ้องตาว่าเกิดเอะใจขึ้นมาบางอย่างแล้วไม่ใช่หรือคุณชายว่ามันจะเป็นไปได้หรอครับ ไปหลังจากที่นิ่งไปนานชี้ถาก็พื้นพมขึ้นเหมือนจะรำพึงกับตนเองสุดตายซากนับพันปีเคลื่อนย้ายตัวเองไปได้อย่างลึกลับเมื่อพลอสายตาของเราจะคร่วงดำอันเป็นสัตว์มีชีวิตพอจวนตัวเข้าก็แปลสภาพเป็นก้อนหินยืนแข็งทื่อแม่ละ มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในโลกที่เราเคยรู้จักแต่สิ่งแวดล้อมมันก็มีอะไรสกิดใจให้เราต้องคิดไม่ว่าจะเป็นความคิดนั้นจะทำให้เราถอยหลังเข้าลรงเช่นไรก็ตามระพินผมอยากจะพูดว่าเราไม่ควรจะมองผ่านสิ่งเหล่านี้ไปซะแล้วเราเห็นภาพเหล่านี้คนละกาลเวลาระพินพัยวันกล่าวอย่างระมัดระวัง เราไม่ได้เห็นตำตาคาหนังคาเขาในขณะที่มันมีปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นไอศตายซ่าหรือไอเสือเห็นตัวนั้นเรากำลังลังเลยและต่อสู้กับข้อเท็จจริงที่ว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไร